ก็เราปฏิบัติรมกันวันนี้อีกวันหนึ่งวันนี้วันที่13บสาเนาะวันที่ส4ี่นี้ก็จะให้กลุ่ม ท, ที่คนที่เริ่มตั้งใจเริ่มปรับอินทรีย์ของตัวเองเป็นแก้ไขนิวรนตัวเองเป็นก็เริ่มเขาเก็บอารมณ์เป็นชุดๆไปนะชุดแรกก็เอาคนที่เคยเก็บมาก่อน ชุดที่สองก็คนที่เคยเข้าค้อนมาก่อนชุดที่สามเป็นคนใหม่ทั้งหมดนะสิบสี่สิบห้าสิบหกสามวันเขาวันละชุดละชุดก็ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษานะศึกษาเวลาเราจะเก็บจริงๆเราจะไปทำที่บ้านจนนิยมคนหนึ่งอยู่ที่รด้สเวก้าต่งวัดเพราะขอเก็บอารมณ์สามอาทิตย์นะแล้วเขาก็จะให้ โทวเข้ามาเพื่อสวรลมเป็นช่วงๆงั้นเก็บอารมของจริงทำที่บ้านดีที่สุดแต่ว่าเราจะต้องมีห้องเฉพาะของเรานะแต่ถ้าหากว่าบ้านของเราไม่สะดวกก็ไปสำนักที่ใกล้ๆของเร า, เราไปขอคือการศึกษาตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ยังคิดก็ทำที่มาเข้าคอร์สอย่างนี้เป็นการมาศึกษาไรายละเอียด ว่าเราจะศึกษาตัวเองอย่างไรนะพเพราะเราไม่ได้มาเอาเรามาศึกษาถ้าเรามาเอาเนี่มันมันไม่ได้แต่มาศึกษาแล้วมันจะได้นะทีนี้เมื่อวันก่อนเราพูดถึงหลักการโพเทียนว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นเบื้องต้นซึ่งก็ได้ลงรายละเอียดสาหรับคนที่ได้ฟังมจากที่หอจุฬาเหตุก็ดี เราก็มาย้ำต่อกันที่นี่ดีเรื่องของรูปนามเริ่มต้นที่เรื่องของสังเกตกับเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตัวสังเกตตัวตามรู้นั่นเองก็เป็นตัวรู้ที่เป็นสติอย่างไรก็เบื้องต้นให้จาสำหรับคนใหม่นะให้จาหลักสองประการนี้ก่อนเป็นการสัมผัสความรู้สึกที่เป็นธรรมดาธรรมดาง่ายๆ โดยที่ไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าสังเกตได้ขึ้นใจสังเกตได้จําว่าเ อ, อ๋อนี่มันเวทนาที่เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงหนักเบาเนี่ยเป็นเวทนาทางกายาในส่วนที่เราดูแล้วมันรู้สึกพอใจไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองหรือชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยหรือรู้เฉยเฉยพวกนี้เป็นอาการของทางจิตเรื่องเวทนาทางจิต ตัวนี้จะเรียกว่าสติตัวเวทนาทางกายในเรียกว่ารูปเวทนาทางจิตที่เรียกว่านามก็พยายามชี้ให้ชัดว่าให้ชัดว่าอาการที่เราสัมผัสอยู่น้นปัจจุบันขณะเนี่ยคืออาการอย่างนี้อย่างนี้ค่อยๆตั้งข้อสังเกตให้เห็นเปลำดับลำดับไปเพื่อบางคนที่สนใจศึกษาที่จะปฏิบัติจะได้เข้าใจได้ง่าย แต่สําหรับบางคนยังยังไม่มีประสบการณ์ศรัทธายังไม่เข้มแข็งความเพียรยังไม่เข้มแข็งสติยังไม่เข้มแข็งก็ฟังฟังไปก่อนแล้ววันหนึ่งาอาจจะคลิกขึ้นมาก็ได้นะนีเราพูดถึงว่าคนส่วนที่มีศรัทธาและมีความเพียรที่จะรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังที่เราพูดสําหรับคนในกลุ่มนี้แต่คนกลุ่มนี้มาเพื่อสังเกตการมาเพื่อศึกษาวา่าเป็นยังไงท่านจะ ถูกก้องไมเข้าท่าไหมมาสังเกตการอย่างนี้ก็ยังมีอยูอ่ก็จะพยายามเปรียบเทียบกับสายนน้นสายนี้อาจารย์นน้น อ, อาจารย์นี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีอยู่ศึกษาประเภทเผื่อเลือกนะแต่บางคนมั่นใจแล้วละ่ะวิธีการนี้ละ่ะจะเป็นหลักการที่นําไปสู่การแก้ทุกข์ได้จริงๆก็ล่มลุงรายละเอียดได้ลึกขึ้นเพราะฉะนั้นมาพยายามที่จะชี้แจงในรายละเอียด ตามที่มีประสบการมายาวนานทั้งตัวเองและผู้อื่นมาบอกมาชี้แต่ไม่ได้เป็นการสร้างทฤษฎีใหม่อะไรขึ้นมาแต่นำวิธีการโองพุทธิยนมาขยายให้เห็นว่ามันสอดคล้องกับตัวบทที่พระพุทองค์ตัดไว้อย่างไรมันไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ไปผิดพลาดตรงไห น, นแต่ว่ามันก็คือหลักการอันเดียวกัน แต่เราใช้คุณภาษาคุณจำนวนคุณล ะ, ะสมมติเท่านั้นเองบางอย่างก็เข้ากันได้ดังนั้นอย่างความรู้สึกกายความรู้สึกใจเนี่ยภาษาของเราแหละแต่บอกวนะิทนาทางจิตเวนะิทยาทางกายจะเป็นภาษาบาลีขึ้นมาน่ะบางคนก็สื่อได้บางคนก็สื่อไม่ได้ก็ไม่ใช่ความรู้สึกทางกายเป็นยังไงขณะนี้เขาพราว่าเออมัน แต่บอกออมเป็นท่าสีมันเป็นอย่างนี้นะขันห้าปก็เป็นภาษาของตำลาไปล ะ, ะความรู้สึกทางกายมันมีความรู้สึกอย่างไรขนาดนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมีไหมมีความรู้สึกทางจิตเป็นไงชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเฉยเฉ ย, ยหรือนิ่งนิ่งหรือว่างว่างอาการเหล่า น, นี้มีไหมหรื อ, อมีอันนี้เป็นอาการทางใจให้เห็นสองอย่างนะกลุ่มสองกลุ่มให้ชัดก่อน เราเรียกว่าอารูปกับนามนะแล้วก็ค่อยสังเกตค่อยศึกษาค่อยทําความเข้าใจมันเรื่อยเื่ลักษณะค่อยตามรู้ตาม ด, ตามดูตามเห็นค่อยสังเกตศึกษาตามดูเรียกว่าอาตาปีหรือความเพียร น, นะเดอะอาตาปีด้วยความเพียรที่ตามรู้ตามดูขยันโฟดูขยันศึกษาขยันสังเกตขยันแยกให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรอย่างขณะเดินจงกลมเนี่ย มาค่อยๆสังเกตดูว่าใครที่พิจารณาจริงๆนะใครที่ยังไม่ได้รู้จักวิธีพิจารณาหมวดที่เราขณะปฏิบัติเราสังเกตพิจาณาเราเรื่องหมวดธรรมวิจยะโดยขยันศึกษาสังเกตเฝ้าดูนี่เป็นตัวสติสัมผัสชงนะเพราะฉะนั้นหลักวิปัสสนาเราจะเริ่มต้นที่สัมผัสชง <c oughs> ไม่ลักษณะไม่ไม่เริ่มตัวที่ลักษณะของ มักแปดดยตรงหรือองค์อานต่างๆสมาธิต่างๆแต่จะเริ่มที่สัมผัสชงเลยทีเดียวสติที่คอยเฝ้าดูคอยสังเกตคอยตามรู้ถึงอาการต่างๆที่มันเคลื่อนมันไหวมันไปมันมาทั้งกายทั้งจิตทั้งคิดและไม่คิดทั้งเคลื่อนและไม่เคลื่อนเนี่ยการสังเกตเหล่านี้ลงไปเรื่อยๆก็เราเป็นสติระดับสัมผัสชงคือตีขั้นละเอียดนะสมุเราเดินเนี่ย เราเดินใหม่ให่รู้สึกสบายพอเดินไปเดินมารู้สึกมันตึงขึ้นเรื่อยๆก็มาสังเกตไอ้เมื่อกี้มันสบายๆ อ, อาการตึงอาการคร่งหรืออาการเค็ดอาการหนักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะอะไรหมาก็ตั้งข้อสังเกตเพราะเวลาเราเดินเราเหยียบกับเวลาเรายกเนี่ยอาการที่จิตมันเท้าที่มันลอยจากพื้นเนี่ย เป็นลักษณะที่น้ำหนักมันผดออกไปแล้วเราเราเหียดลงไปทีหนึ่งมันเพิ่มขึ้นลักษณะของน้ำหนักนี่เพิ่มขึ้นขึ้นเพราะอะไรสังเกตต่อไปมันทำไมมันจริงหนักหรือย่อขึ้นมันทมมํางานจริงเบาอันนี้คืออยู่ในลักษณะที่ว่าสติสัมโพชฌงจะละเอียดลงไปอย่างนี้ไม่ใช่สติประฐานนรสติสัมปชัญญะธรรมดาสติสัมโพชฌงคคือลงลึกในรายละเอียด ว่าเออเรายืนนานๆโดยไม่ยกเลยเนี่ยน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะรู้สึกความตึงความเข่งความนิ้วขี้ขาดำขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ฝ่าเท้ามาข้อเท้ามาลำแข้งลำขานานเข้า น, านัา่งเข้ามันจะกินนบริเวณมาถึงสีเอวถึงไหลไปเรื่อยๆพอเราเรายกปั๊บมัก็เหยียบลงไปอีกน้ําหนักที่ยกเนี่ยมันยังคลายไม่หมดมันยังขังตัวอยู่เลยพอไปเหยียบซ้ำเข้าไปอีกน้ําหนักก็เพิ่มมันก็ ตัวที่ความไม่บาลานซ์ระหว่างยกกับเหยียบเนี่ยมันก็ทําให้ตัวหนักที่เพิ่งเพิ่มกิดขึ้นเมื่อกี้พอยกมันมันครายยไม่ทันหมดแล้ยกซ้ำลงไปอีกอาการที่หนักมันก็เหลือค้างอยู่ในนั้นพอพอเราเดินบ่อยเข้าบ่อยเข้าน้ําหนักที่มันค้างมันเหลืออยู่ในในทาาในขาของเราเนี่ยมันก็เพิ่มเนื้อส่วนเหลือขึ้นในส่วนเหลือนี่เขาเรียกว่าเป็นวิบาก แต่พอเรารู้สึกได้เออถ้าหากว่าวิบากหรือส่วนเหลือมันมากกว่านี้เราวิสุทธ์ว่ามันจะเดินแล้วปวดขาไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นเราก็ต้องผ่อนกา ร, รเดินให้ช้าลงโดยการในช่วงที่เท้าที่มันยกเนี่ยให้มันร่อนอยู่นานนิดหนึงให้มันสมดุลโดยการั้นเนออถ้าหากว่เรายกนานไอ้ครั้งนี้มก็ต้องนานเหมือนกันไอ้ตัวเหยียบเนี่ยมันก็กินเวลานานเหมือนกัน ท, ทั้งถ้าที่ไอ้เท้าที่ยกมันกินเวลานานเพราะงั้นเวลาเหยียบครั้งนี้ไอ้ตัวนี้ก็ผ่อนไปลักษณะนี้มันก็ผ่อนเบาลง ที่เรื่องตมาดูมาวิเคราะห์ออกไปเความหนักมันมาจากอะไรเพราะนั้นการเดินของเราแต่ละครั้งเนี่ยจะเดินไปแบบไม่มีสติหรือเดินไปแบบสัญชตาตญาณเราจะไม่ได้รู้ไม่ได้ความรู้ไม่ได้สังเกตในสี่เหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นอาการหนักเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็ดูแบบหยาบๆอาการหนักเกิดขึ้นซึ่งมาได้บอกไว้เขาก่อนว่ามันมีการไหลเวียนของเลือดลม ตลอดเป็นเป็นรัศมียเงี้ยตลอดนี่ถ้าหากว่าเรากดทับฝาเท้าลงไปเนี่ยมันก็จะไปกดทับอหท่ อ, อเลือดลมที่ผ่านเซลล์ต่างๆให้ตีบตันบดบี้ลงไปเลือดลมก็จะเดินไม่สะดวกการเดินไม่สะดวกมันเกิดการต้านดันต่อไปซึ่งเปรียบเสมือนบ่อยๆว่าเออเราเปิดน้ํา แล้วใส่มีท่อสายยางยาวไปนู่นเวลาสายมันพับที่ใดที่หนึ่งเลยเปิดน้ำมันก็จะหลุดถ้าไม่หลุดท่อมันก็จะปริหรือแตกแต่ส่วนใหญ่มันหลุดถ้าท่อมันดีมันก็ไม่แตกง่ายๆหรือเมื่อนั้นน้าก็หยุดไหลไปเลยมันไปแตกกันู่นข้อต่อที่ไม่ไม่แน่นนู่นฉันใดก็ฉันนั้นว่าการขับเคลื่อน การบีบตัวของระบบลมหายใจที่ระบบปั๊มของหัวใจที่เป็นความดันระหว่างปัม๊มขึ้นปัม๊มลงตลอดเวลามันปัมป๊มมันปั๊มไม่ไปเพมันไปติด ต, ตรงนั้นะจิตของเราก็เกิดอาการหนักต่อเวทนานั้นมันเป็นผลกระทบต่อต่อต่อต่อตเนื่องกันมาตลอดเพรานะนั่นอาจารย์หนักอย่างเดียวเนี่ยมันกระทบไปทั้งร่างกายเลยที่พอเรามีการเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยพอเลื่อนลมโดยสะดวกก็เหมือนล้วจับสายยางท่ามิ่ยื่ดีทีห น, นึ่งน้าก็พุง่งปูดไปเลย อาการหนักอาการตึงของเส้นสายอย่างเรานี้ก็หายไปเพราะว่ามันการวิ่งตัวสมดุลหลักการที่มันไหลเลื่อนอย่างตลอดเป็นกฎของอ น, นิจจังและอ น, นิจจังจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็สิวก็ไปอีกไอ้การไหลเลื่อนเกิดก็เกิดการปั๊มของหัวใจได้หัวใจที่มันปั๊มขึ้นลงมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะภาวะพลังงานอันหนึ่งที่ว่าเรียกว่าเกิดแล้วก็ดับอ่า มันเข้าไปตรงนั้นพอเราไปเห็นลักษณะอาการเกิดดับตรงนั้นปั๊บเราก็สืบสาวเราเรื่องตั้งแต่นามนามมาทํารูปธรรมได้ทั้งหมดเลยอ๋อมันเป็นการเกิดดับของพลังงานตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าธรรมวิจยะใช่ไหมยมสตินั่งตัวให้ตรงให้ใจให้ลึกอย่าไปหลับตาให้ใจให้ลึกๆอั่งตัวให้ตรงให้ใจใลึกเพราะฉะนั้น เราก็พยายามสังเกตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วมันมีโมเดลสักตัวหนึ่งมีตัวอย่างสักอันหนึ่งให้เห็นชัด ๆ, ๆเนี่ยต่อไปมันก็จะบูรณาการไปสู่อาการต่างๆรวนแต่มีหนักมีเบามีเข้ามีออกมีลึกมีตื้นมีสบายไม่สบายปรากฏตลอดเดินเป็นผลพวงของการทำงานของตัวนี้นะ ทีนี้ตอนเช้าเนี่ยพระท่านพาสวดเรื่องอะไรนะจำได้ไหมามาได้ยินแ ว, ว, ว่วจาก น, นองนยังจำได้เล ย, ยเป็นอธาตุสีใช่ไหมธาตุสีปัทวีธาตุอาโูธาตุปายโยธาตุเดโชธาตุให้พิจารณาร่างกายด้เหนเ็นเป็นความเป็นธาตุแต่เราเห็นว่าเป็นอะไรเป็นเรา ออนี่แหละมันมันมันเริ่มผิดตรงนั้นแหละเห็นว่าเป็นเราธถ้าดินมีอาการอย่างไราการหนักแน่นแข็งแข็งใช่ไหมแล้วหนักเรานั่งตรงนี้มันหนักเนี่เป็นอาการของธาตุดินอะไรเงี้ยแล้วดินหนักแล้วไม่พอแล้วหนักไปนานนานมันรู้สึกอาการเป็นไงปวดนะเน็บอะไรขึ้นมาลักษณะการปวดการเหน็บการเจ็บการไม่สบายเป็นอาการของธาตุอะไร ทัดไฟอ่าอาการที่มันยกมันเคลื่อนไหวเพื่อบําบัดนิ่เป็อาการของธาตุอะไรธาตุลมแล้วรู้สึกสบายเป็นธาตุอะไรธาตุน้ำเนี่ยมันเคยทํางานของมันอย่างเนี้ยตลอดเวลาแต่เราไปดูอาการของธาตุทางานของธาตุาการทํางานของสิ่งเหล่านี้มันมีเรามีของเราอยู่ในนั้นไหมไม่มีมีแต่การทํางานเป็นขบวนการทั้งหมดแต่เราไม่เคยไป พิจารณาไม่มีโยนิโสมนัสิกาในสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครมาชี้แจงให้เราให้เห็นชัดเจนชัดแจงแจ้งเรื่องเรื่องเหล่านี้เราก็คิดว่ามันเป็นเรา น, นการที่เราไม่รู้เราเข้าไปสัมผัญมันหมายเป็นเราเราเรียกว่าอะไรอวิชชาความเคยชินความไม่รู้ความไม่รู้เท่าทันไม่รู้ตามความเป็นจริงอวิชชาด้ยนไม่รู้ตามความเป็นจริง ว่าความเป็นจริงมันก็คือการทํางา น, นของาธาตุต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นไปตามหลักาธาตุเดิมพวกมันที่เดิมพวกมันคือเป็นพลังงานมันเกิดดับทุกจุดในตลอดเวลาทั่วหัวจุดเท้าตรงไหนมีรูปมีนามตรงนั้นจะมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตั <c oughs> ้งแต่เกิดจนตายนะทีนี้พระพุ ท, ทธเจ้าท่านได้มาเฝ้าดูสิ่งนี้ จนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้เองจิตของเราที่มันจะไปคิดปุงแต่งถึงเรื่องหยาบหยาบไกล ๆ, ๆเรื่องราคะโทสะโมหะอะไรมันจะมีไหมถ้าเราพิจารณาสิ่งนี้เป็นประจำมันค่อยๆหายไปหายไปในมโนสํานึกของเราความอยากราคะโทสะโมหะมันค่อยๆหายไปจากจิตสํานึกของเราแต่ความปรากฏที่เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆคืออะไรคือความรู้สึก ที่มันปรากฏทุกขณะทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดหมุนเวียนไหลเลื่อนก็อยู่แต่เวลาละเอียดเปลี่ยนเป็นกลางกลางเปลี่ยนเป็นหยาบหยาบเปลี่ยนเป็นละเอียดใหม่วนก็อยู่อย่างงี้เหมือนคลื่นเริ่มจากละเอียดคือลมกระทบผิวน้ํากลางน้ําถูกกระทบกลายเป็นคลื่นแล้วก็หยาบขึ้นเรื่อยเรืยจะเป็นคลื่นใหญ่แล้วคลื่นใหญ่แตกลงไปเริ่มมาอยู่เงนี้ยวนอยู่เงนี้ย เรียกว่าคลื่นกระแสของน้ำฉันใดกระแสของการทำงานในกายในใจก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเปรียบเห็นง่ายๆที่เป็นรูปธรรมคือกระแสคลื่นทำงานเพราะเริ่มต้นที่ธาตุลมเนี่ยลมนี้เกิดจากอะไรต่อสืบต่อไปอีกลมที่จะกิดมาเกิดขึ้นเกิดจากอะไรปฏิกิริยาระหว่างธาตุอะไรกับธาตุอะไรความต่างกันุูุมทั้งสองแห่งใช่ไ ตรงนี้ร้อนตัวนี้เย็นเพราะน่าอากาศ ร, ร้อนก็ไหลไปสู่เย็นเย็นก็ไปสู่ไหลร้อนเพื่อที่จะปรับสมดุลใช่ไหมไอาการที่ไหลเวียนของถ้าตรงนู้นเย็นตัวนี้ร้อนอากาศ ร, ร้อนเป็นอาการหนักหรือเบาหนักใช่ไหมมันก็วิ่งไปหาเย็นที่เบ า, ายเย็นแล้วพอมันถูกกระจายก็วิ่งมาหาร้อนใหม่วนก็นอยู่ลมก็เกิดขึ้นการทํางานของดินน้ําลมไฟ ก้ออยู่เนี่ยเราก็ให้เกิดการสั่นสะเทือนในการจากที่มันบนในตัวของมันมันก็ไปกระทบอะไรพวกสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นการกระทบต่อต่อตรงนี้เป็นพลังงานอันนี้ก็อาจจะเป็นรายละเอียดเกินจําเป็นแต่เรายกตัวอย่างมาให้เห็นการทํางานที่เป็นรูปธรรมควาร่างกายแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อดินน้ําลงไฟในตัวของเรามันก็ทํางานอย่างน้เป็นกระแสคลื่นของความรู้สึกทางกายเรียกว่าเวทนาเป็นกระแสของคือความรู้สึกทางจิตเราเรียกว่า ความคิดความคิดออกมาเป็นความชอบไม่ชอบความพอใจไม่พอใจความนิ่งความรู้ไม่รู้ก็ไปตามลําดับและที่นี้มันกร ะ, ะแสกันไปการไหลวนเวียนการกระทํางานกระแสของธาตุดินน้ําลมไฟเหล่านี้มันก็จะออกมาเป็นอากาศาธาตุและวิญญาณธาตุดังได้กล่าวไปแล้วซึ่งการเกิดกฎแห่งการเกิดดับนี้เราก็ถูกนักวิทยาศาสตร์นํ า, านม า, ชาใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหม เมื่อก่อนักวิทยาศาสตร์มันมันยังค้นพบไม่มากเนี่ยมันก็ใช้กฎ ข, ของการเกิดดับแบบหยาบๆแต่พอมันค้นพบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการค้นพบในการเกิดดับของวัตถุเริ่มละเอียดขึ้นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆก็คิดคิดคิดต่อจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นเก่าๆออกมาเรื่อยๆวัตถุที่เราเสพสวยก็ละเอียดขึ้น เ, เ, ір, เรื่อยๆเร็วขึ้น farming. เรื่อยๆก็ทําให้เราไม่เข้าใจระบบของการ อเกิดดับในตัวเองเราก็ไปหลงวัตถุการเกิดดับของวัตถุแล้วก็ไปเสพนี่เขาเรียกวิชารู้เท่าไม่ถึงการแล้วเราก็ไปเสพแล้วก็ไปต้องการจํานวนของการเสพคือการอยากจํานวนมากขึ้นเราเองก็เป็นคนการกของการเกิดดับสิ่งที่เราเสพก็เป็นคนการกของการเกิดดับแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปสําคัญมั่นหมายกฎแห่งการเกิดดับว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของของเรา ความอยากมันก็เกิดขึ้นแล้วความอยากเกิดขึ้นมันก็เพิ่มจํานวนมีรถหนึ่งคันไม่พอสองคันอาหารหนึ่งจานไม่พอสองจานอาหารอร่อยหนึ่งจานไม่พอสองจานตัวนี้ตัวเสือ้อตัวนี้สวยไม่พอเอาเสื้อตัวนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ไปเสดสวยแต่วัตถุเหล่านี้เสร็จแล้วเราต้องหาสิ่งที่มาแลกเปลี่ยนอะ่ะนั่นคือการหาเงินหางานหา ตำแหน่งหน้าที่มาโดยที่ไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆไอ้ความไม่รู้ขยายตัวออกมาเป็นโรคเป็นปวดเป็นลมลราเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายสับสนจนชีวิตที่ไม่มีเวลาพักเลยแต่เวลาทั้งชีวิตหาเงินเพื่อมาแลกเอาวัตถุเหล่านั้นอันเป็นผลพของการเกิดดับหลักของอนิจจังภูมิขันตตาด้วยความไม่รู้เราก็เกิดหืนกระหอบเป็นทุกข์ตลอดชีวิตที่จะวนเวียนอยู่านี้เกิดมาแล้วก็เป็นยนี้ตายแล้วก็เป็นอย่างนี้ จนกระทั่งเรามาพบหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เห็นกฎทางการนี้โอ้มันเป็นการอาศัยกันทุกอย่างไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเวลาเราสวดเพราะมันมีน้ําจึงมีลมเพราะมีลมจึงมีไฟเพราะมีไฟจึงมีดินเพราะมีดินจึงมีน้ำเพราะมีน้ำจึงก็วนการทํางานเพรดินน้ำลมไฟก็เกิดเป็นพลังขึ้นมาอ่านง่ายเช่น รถคันหนึ่งเนี่ยทําไมมั น, ม, น, ม, นมันจึงวิ่งได้ทั้งทงี่มันเป็นวัตถุแท้ๆทำสมัยรองคับคอนโทรลมาได้อาศัยการประกอบทุกส่วนของการดินน้ำบงไฟและอาศัยวิญญาณห้องขับ่็ครบเหมือนกับวิญญาณเหมือนหุ่นยนต์<อ>หลักการง่ายๆที่คนโดยเฉพาะคนที่เป็นช่างรถจะรู้จักดีใช่ไหมในที่นี้มีใครบ้างที่เป็นช่างยนต์รถ ยกมือหลวงพ่อจะได้ให้แ่อธิบายว่าการทำงานของเครื่องยนต์เป็นปยมงพันศาทางหลพี่โจ๋นะอ๋อหลวงพี่โจ๋พี่จ๋นี่ชำนาญในเรื่องไฟฟ้านะมันชำนาญในเรื่องรถมันเรื่องเครื่องยนต์นะคุณรู้ภาษาิ์ว่าไงชำนาญเรื่องอะไรบ้างเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์นะน่ะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องถามวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ววันนี้แต่ว่ามันละเอียดยนินไปเนาะจะเอาช่างยนต์มาเห็นง่าย วิสัการแพทย์เอาง่ายๆว่าหลักการทํางานของหัวใจเนี่ยมันทํางานอย่างไรบรันทำไมมันอ่ามีขับเคลื่อนได้ตลอดเวลามันทํางานตลอดเวลาใช่ไหัวใจเนี่ยเพราะอะไรควเป็นลมนะทำทำพุทธเหรครับครับไม่ตทำหลักการวิทยาศาสตร์แพ ท, แพ ท, ท แ, แพทย์วิสัชน์การแพทย์ยาวทําพุทธนะการสูบ ส, ส, สีใช่ไหม จฉุดฉีดมันเคลื่อนไหวได้ไงก็เป็นสุญญากาครนะับเป็นสุญญากานะมันละเอียดตรงนั้นนะองพ่ อ, เ, อเคยอธิบายตัวอย่างเรื่องรถ ด, ดีกว่าว่ารถเนี่ยในห้องเครื่องของมั น, นะว่ามีน้ามันฉีดเข้าไปในห้องเครื่องแล้วก็สะเกตไฟเข้าไปทำให้น้ามันอ ะ, อะไร เสียลน้ํามันระเบิดใช่ไหมเกิดการระเบิดนี้แรงระเบิดมันก็เกิดการหาทางออกหาทางออกเขไปทําเป็นคอมพิวเตอร์ทำไปขับเคลื่อนใช่ไหมมันไม่มีทางออกพอระเบิดออกมามันก็เป็นพลังงานเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นรถไปเจอเสียงที่ดังอย่างนั้นนี้ก็เสียงระเบิดนั่นเองนะเสียงระเบิดของรถแราวก็น้ำมันก็สเปรย์ลงไปเรื่อยๆยิ่งฝอยละเอียดเท่าไหร่ก็ไฟก็ต้องมีน้ําน้ํามันเป็นเชื้อเพลิงก็คือทัดไฟใช่ไหม ธาตุไฟคือน้ํามันแล้วก็แปลงเป็นธาตุไฟที่เป็นพลังงานไปเป็นไฟจริงๆแล้วก็ไฟที่จุดประกายลงไปทีนี้อัดแล้วมันมีแรงออกมันก็ปล่อยให้ออกก็ดันออกไปกลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนถ้าพูดถึงหลักการในเครื่องยนต์หลักการของหัวใจก็คงจะทํางานแบบนั้นใช่ไหมแต่ต้องใช้ไปเป็นแรงแรงบีบนั่นเองเพราะตัวนี้อัดเข้าไปพอน้ามันเครื่องยนต์ถูกระเบิดตรงมันก็เกิดการแรงบีบอัดเอาตัวนี้ถ่ายออกไปแล้วไปขับเคลื่อน ดันลูกสูบให้ชักขึ้นลงใช่ไหมในหลักการทั้งหมดอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเครื่องยนต์ต่างๆก็ไปจากหัวใจของเรานี่เองก็มาดันลูกสูบหัวใจของเราก็ปั้มขึ้นปั้มลงตลอดเวลาแล้วก็ไปเช็ความดันใช่ไหมดันขึ้นดันลงเท่าไหร่ถ้าความดันสูงยังเอามาคุ้นอย่างง่ายๆเยเมื่อก่อนเขาเวลาเขาตีเหล็กเนาะเขาก็จะเผาเหล็องให้แดงเอาฐานมาใส่เพ้่ทําลูกสูบ แดงเท่านี้ไม่พอเวลาต้องการให้มันแดงมากกว่านี้ก็สูบให้แรงให้เร็วใช่ไหมยิ่งแรงเร็วเท่าไหร่ไฟก็ยิ่งยิ่งแดงแดงก็มีความร้อนแรงคือหลักการง่ายๆที่ที่เป็นรูปธรรมง่ายๆเข้าใจได้เข้าใจได้ว่าการปั๊มลักษณะการปั๊มเพื่อให้เกิดทัดลมใช่ไหมลมเข้าไปเพราะลมนั้ก็ไปสร้างพอให้เกิดการทัดไฟที่มีกําลังสร้างเอาเองแลทัดไฟนั้ก็จะไปเผาทัดน้ําอีกทีหนึ่ง ก็ขับเคลื่อนเป็นโหัวรถไฟเองอ่ามันก็จะหมุนอย่างเงี้ยนี่คือการเกิดการพลังงานคืองการทางานของท่าตุสี่นักพุทธเจ้าว่าท่าตสี่เป็นสีมหัเจดจัร์เพราะมันทํางานแค่นั้นแต่มันอสศจัรย์มันแอปลายได้ทุกเรื่องของจักรวาลเลยเป็นสีมหัเจดจัร์เพราะนั้นเวลาท่านแสดงย ม, มกปฏิหารที่สมัยนั้นนะอืเป็นเรื่องที่อสศจัรย์มากในเรื่องของท่าตสีเนี่ย ดินน้ำลงไฟเขาเลยยะมุกปฏิหารให้ไปศึกษาเรื่องพระตัดโิกในเรื่องนี้ก็แล้วกันใครต้องการรายละเอียดไปดูหมดยะมุกปฏิหารแต่ว่าเราไม่เข้าใจภาษาปิฎกก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกฉะนั้นเมื่อไปอย่างนี้เราก็ดูกายกับใจลูกกับน้ำในฐานะคือการเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลาแล้วที่ไหนจเป็นเราที่ไหนเป็นฉันที่ไหนเป็นคุณ ด้วยกันไม่ได้ไปรู้ในรายละเอียดของการทํางานของธรรมชาติเหล่านี้เราก็ไปสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะพ่ อ, พอแม่ของเราก็ไม่ได้สอนมาครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้มาเราก็เข้าใจตามที่ได้รับการถ่ายทอดในสิ่งแวดล้อมพาเราเข้าใจเราก็เข้าใจอย่างนั้นจนกระทั่งเรามาศึกษาคําสอนของพเจ้าพระทั้งหลายท่านก็พูดไป อ, อีกแบบหนึ่งท่านก็พูดถึงเรื่องที่เป็ น, ป น, ปนพฤติกรรมภายนอกแต่พฤติกรรมเหล่านี้มันมาจากอะไรท่าน ท่นมักจะมักเข้าท่านอาจจะรู้แต่ว่าบางทีได้เห็นว่ามันเกินจําเป็นในการที่จะรู้เรื่องนี้นะแต่มาเห็นว่ามันจำเป็นต้องรู้ที่ไปที่มาว่าอันที่มันมาอย่างเนี้ยที่เราลุกได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นี่เพราะอะไรหายใจเข้าหายใจออกไม่เพราะอะไรเพราะมาจากการกดของการเกิดดับการเกิดดับที่ไม่สมมุนงก่อให้เกิดกฎของใจรักกฎใจรักที่ไม่สมมุนงก็ให้เกิดกตักของกุศลกับอุศลหลัก่าโทสะโมหะ ราคาโทรศัพท์มหาไม่สุ่มกาะให้เกิดราคาโทรศัพท์ชั้นหยาบ ก, กลางละเอียดราคาโทรศัพท์หยาบกลละเอียดกาะให้เกิดการหมุ น, นเวียนของสารวัตรเกิดขึ้นไปกันอยาวยิบเลยทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งต้นชั่ววัเอารูป ก, กับนามก่อนมันพอรู้ได้เนี่ยเรามาตั้งต้นกา ก, ากับใจรูป ก, กับนามตั้งต้นตรงนั้นเราก็ค่อยใครมีสติปัญญาดีก็ค่อยศึกษาหาละเอียดลึกไปเรื่อยๆใครสติปัญญายัางไม่พอก็เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ที่ที่เรารู้ได้ เออความรู้สึกทางกายนี่เป็นรูปนะความรู้สึกทางใจนี่เป็นนามนะเขาค่อยรู้แค่นี้ไปรู้บ่อยๆพ อ, อรู้เลยบ่อยๆแล้วเมื่อสติปัญญาไม่ค่อยเกิดไปเรื่อยๆ เ, รยเรยพราะสติปัญญาที่เป็นทางโลกียาทางโลกเนี่ยมันจํากัดแค่ไหนแค่ว่าพ่อแม่แให้มาเท่าไหร่การศึกษาครูอาจารย์ให้มาเท่าไหร่เราขอนขวาอ่านท่องจําเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นน่ะสติปัญญาทางโลก สติปัญญาทางธรรมที่เราเรียกว่าโลกียโลกุตละเนี่ยโลกุตละปัญญาสติปัญญาทางโลกเราโลกียปัญญามันมีความจํากัดในแง่ที่เราได้มาเรียกว่าสัชติกะปัญญาคือปัญญาที่เกิดมากับกับตัวเราบรรพบุตรให้มาการศึกษาให้มาสิ่งแวดล้อมให้มาประสบการณ์ให้มาแค่นี้แหละแล้วมีความจํากัดด้วยนะแต่ถ้าเป็นสติปัญญาอันเกิดจากนิปปะปัญญาคือปัญญาที่เป็นไปเพื่อที่ศึกษาเรื่องของ การดับการเกิดการดับของร่างกายเรียก ว, ว่าโลกุตระปัญญาปัญญาตัวนี้เพิ่มได้เรื่อยๆจากคนโง่ที่สุดกลายเป็นคนฉลาดที่สุดก็ได้แต่เขาต้องขยันขยันทำมีศรัทธาและมีความเพียรเพราะฉะนั้นตัวศรัทธาและความเพียรที่เราทําอย่างถูกต้องมันเป็นการเพิ่มกําลังของสติสมาธิปัญญามากขึ้นเรื่อยๆไร้ขอเขตไม่มีจํากัดมาเล่าให้ฟังหลายครั้งเรื่องชุลบรรทุกจําได้ไหมคุณวิชัย ยลัพบรรทุกที่เป็นพระที่โง่ที่สุดอะ่ะจนพระพิชายไล่เสื อ, อ, อที่ลูกพรานะคือเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วใช่ไหมคนไหนไม่ได้ฟังบ้างยกมือขึ้นโอ้เยอะนี่เนาะมันจะเป็นต้องเล่าอีกรอบนึ่งเพื่อเห็นตัวอย่างว่ามันเราเป็นคนมู้ดสามพรพเป็นคนฉลาดมีปฏิหารได้ยอดเยี่ยมมากเนี่ยพราะเพียงแต่ว่ามีสถาและความเพียรเท่านั้นเองอ ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันมีปัญญาแค่นี้ฉันศึกษาฉันแคเนี้ไม่ใช่นะถ้าคุณมีสติฐานและความเพียรคุณจะสามารถจะเพิ่มสตีปัญญาให้มากกว่า น, นี้เท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวสติฐานและความเพียรยังเป็นเรื่องสําคัญใช่ไหมเพราะว่าสมัยนั้นท่านมหาันทรทุกอาจุลรลกษ์บรรทกสองพี่น้องแล้วเขาเป็นลูกกาพร้าไงพ่อแม่เขาตายไปก่อนก็อยู่กับตายายที่ตา ย, ายายก็อยู่บ้านใกล้ใกล้วัดเชตวันที่พุทธเจ้าประทับอยู่ตา ย, ายายก็ไปทําบุญทุกวันก็พาหลานไปแต่แตเล็กๆแหละ ไปทําบุญจัก บ, บาตรทุกวันทุกวันพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มนก็ได้ฟังพระได้คุ้นกับพระไปหาหลวงพ่อหลวงพี่อยู่เป็นประจําพอโตขึ้นมาหลวงพ่อพี่ก็ชวนบวชตัวเองนะทำเหมือนกับบ้านเราอ่ะอยู่ใกล้วัดมาเป็นเด็กวัดรับใช้พระมหาบัญุต ก, ก็ได้บวชก่อนคำ ว, ว่ามาหาปัญโตกหมายก็ว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่เป็นเป็นพี่จุฬาปรรโตก น, น้องพี่พอไปบวชแล้วก็เลย อยู่กับพระมานานอะ่ะผมฟังทำปฏิบัติทําให้นานท่านก็ บ, บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทีนี้นึกถึงน้องน้องดูแลตายายอยู่เอ๊ตายายก็เข้าวัดาตัวยายก็เข้าใจธรรมะแล้วในน้องก็ไม่ต้องไปเลี้ยงดูอะไรมากก็เข้มแข็งดีชวนน้องมาบทสพรรษาเนาะเผื่อว่าจะบรรลุเห็นธรรมได้ก็ชวนจุานลามนุษย์มาบวชทีนี้ท่านมหาบรรทกในท่านช่วงที่บวชแล้วเนี่ย ท่านไปปิ้งกับคาถาบทหนึ่งท่านท่องจําบทนั้นเช่นบทว่าอธีตังนั้นว่าขามยานะปฏิการเฆอนาคตังบทที่ว่าอาอาดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาก็ผู้ดใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนอย่า ง, งแจง่มแจ้งไม่งี้ยแง่คอ น, น, คนแฟนเขาคนทาเรื่องนั้นบ่อยๆดูเรื่องนั้นบ่อยๆ อ, ยอท่านก็ประทับใจในบทนี้สามสี่บรรทัดพอน้องชายบทเข้ามาเ อ, อ็อห้องบทนี้กัน ฉันเข้าใจธรรมะเพราะจำบารีบทนี้ได้แล้วมาทําทเป็นประจำให้ท่องทัพอันสาเลยพออันษามาก็ไปถามน้องเป็นไงเข้าใจไหมคาถาว่าไงจำไม่ได้เลยพี่ฉันลืมตั้งแต่วันที่พี่บอกแล้วกันะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นว่าเธอไม่มีสติปัญญาพอหรอกที่จะมาศึกษาเรื่องนี้คําสอนพระเจ้าปเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งเพราะนั้นถึงกลับไปเลี้ยงตายายญ่ก็ไปบวชไม่ต้องบวชละสิ แล้ไล่น้องชายไปศึกแต่น้องชายเห็นผู้ทีเจ้าแล้วเกิดชอบขวดศรัทธาลึกๆแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าพี่ชายบอกว่าท่านเป็นคนอย่าไปอันนั้นกันเราไว้หน่อยเสร็จแล้วก็เลยเสียใจพี่ชายบอกให้ศึกเสียใจก็ร้องไห้ออกจากวัดทีนี้ผู้ทีเจ้าเดินจงกรงอยู่นอกวัดอยู่ ยมมาใส่บาตรนเช้าเรื่อยอ จ, จะเอาถวายผ้าขาวสักผืนหนึ่งถวายพุทธเจ้าพุทเจ้าก็ถือไว้ท่านก็เดินจงกรมอยู่แถวหน้าวัดแหละเห็น <c oughs> ท่านจุลธรรมถุกร้องไห้น้ําตานองหน้าจะกลับบ้านอพี่ชายไล่สึกถามเ่าอ้าวทำไมปไปไหนจุลธรรมถกผมกลับบ้านกับพี่ชายไล่สึกเอาทําไมได้สึกเพราะผมท่องหนังสือไม่ได้บอกว่าผมไม่มีปัญญาพอจะไปรู้เรื่องเหล่า น, นี้นะ่ะ อ๋อไม่เป็นไรมันนี้มันนี่พุทธิย่าก็ปลอบใจเนี่ยเือเอาผ้าขาวนี้ไปนะนูไปนั่งอยู่ท้ายวัดแล้ให้บริกรรมอาว่างหนนั่ ง, งแล้วก็บริกรรมว่าะวละชูรลานังละชังอลติผ้านี้ขาวผ้านี้ขาวผ้านี้สะอาดเดิมผ้านี้ไม่เปื้อนมาก่อนให้ลูกไปเรื่อยๆผ้านี้ขาวผ้านี้ขา ว, ะวละชูรลานังละชังอลติลูกไปท่านก็มีสถานในความเพียรทำมือเงี้ยนะ ด้วยความอิ่มเ อ, มอ็มใจว่าโอ้นี้พระพุทธเจ้าท่านมาพูดด้วยแล้วก็ให้กำลังใจด้วยฉันตั้งใจทำเต็มที่เลยเจื่พื่อถึงตกบาบตกบายผ้าที่ขาวใสใสใหม่ๆนี่นะมันกลับเป็นสีมอๆแดงแถงานถ่รูปมาไม่ได้สังเกตเลยนะมีแต่รูปอย่างเดียวนะ่ะลูปอย่างเดียวพอตกายดูเอ้าผ้านี้เช่าสีใสาขาวตัวนี้มาทาไมมันมองมาแดงเป็นไปได้ไง ด้วยจิตที่เพ่งพิจารณาอยู่เนี่ยมันเกิดอวิชชาที่ขังอยู่ในใจหลายภพหลายชามันระเบิดปึ้งขึ้นมาได้สว่างว่าบเลยขณะนั้นสว่างวา่าโอ้สี่ปัญญาเปิดมหาศาลเลยทีนี้เพราะอาวิชชามันระเบิดเพราะจิตที่เหมือนกับเราโฟกัสจําได้เนมะื่อสมัยเราเป็นเด็กเราใช้แมกเนตหรือเลนวาลเลนูนนะนะมาโฟกัสตะวันแสงตะวันเล่นนะเคอเล่นไหมคุณิพี่ชาย <Okay. S 1> เคยเนะี่ย คุณประจวว่าไงได้เล่นของสิ่งนี้ไหม <c oughs> มาไป็เด็กซนเราพอเห็นกระดาษที่ไหนก็ได้แม็กเนตว่านึงก็ดีใจก็ไปไล่โฟกัสให้มันรวมแสงนิดเดียวนะเอาไปเผาอะไรก็ได้เลยทีเนี้ยจุด่เผาเบิร์นไว้ทั่วเลยฉันใดก็ดีจิตของเราที่มันโฟกัสมากๆอะไรอยู่ข้างหน้ามันสามารถจะเบินเผาสิ่งนั้นได้เลยอะ่ะจิตที่มันโฟกัสมันมันรวมมาทั้งตั้งแต่เช้าตก บ, บ่ายใช่ไหม ถ้าเป็นรวมก็คือไอเรารวมไอเรนโบว์อะไรนู่นไม่ถึงนาทีเนาะมันก็รวมแล้วอันนี้ถ้ารวมมาทั้งตื่บ่ายไอเต้นแต่เช้าจนบ่ายมันทั้งรวมแรงมากเลยพอไปเพ่งพุนนี้ป <ida> ั๊บเนี่ยโดยจะไม่โดยบังเอิญนะบังเอิญอวิชาแตกตุ้งเลยรู้เห็นสว่างไปหมดเข้าใจอะไรเยอะเลยเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้ารายงานท่านพุทธเจ้าบางเงียบเงียบรู้ละ ท่านมหาบรรทงเนี่ยหลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยได้รับสมมติจากหมู่สงว่าให้เป็นพรัทุเทศพรัทุเทศแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รับกิจนิมนต์แยกยงที่ไหนม า, มานิมนต์ไปที่ไหนเนี่ยท่านมหาบรรทงเนี่ยเป็นผู้รับกิจนิมนต์แล้วมาแจ้งให้พระองค์ไหนไปที่ไหนนะตอนนั้นผู้นิสนาศาสนาพุทธเจ้าเจริญแล้วเนี่ยคนก็มานิมนต์ไปเยอะเลยทีนี้วันนั้นอน า, าถ ปิณิกาเศรษฐีทําบุญนะ่ะทําบุญฉลองอะไรสักอย่างนิมนพระสงฆ์ห้าร้อยรูปไปทั้งหมดทีนี้ท่านก็เออพระนี่ครบห้าร้อยรูปพอดีหลังจากไปงานแล้วเนี่ยแต่ท่านเป็นพระดุเทศไม่ได้นิมนพระน้องนะึกว่าไร่พระน้องไปสื่อแล้วอ่ะก็พระก็ต้องเหลือห้าร้อยก็เหลือแค่ไหนสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปใช่ไหมพร้อมทั้งพระเจ้าด้วยก็ไปบ้านอนาถเมริกาเศริฐีพอถึงเวลา ถวายของนะท่านเตรียมของมห้าร้อยชุดอะ่ะอมันเหลือนี่ชุดพระไม่ครบท่านว่าไงอ่าได้อ๋อลืมบอกไปเมื่อวานเนี่ยละฉันไอ้พระสืบไปองค์นึงมันก็มันเลยไม่ครบพระเจ้าอยู่หัวแถวได้ยินเข้าการเจรจาระหว่างเศรษฐีไม่ได้ซืบหรอกอยู่ที่วัดนั่นแล้วพระเจ้ารู้น ะ, ะรู้ที่วัดเศรษฐีอะบอกคนชายไะไปตามท่านมาคนชายไปถึงวัดเห็นพระเต็มวัดเลย ว่หน้าตางมาที่ที่งานไม่ใช่พระองค์เดียวท่านมีพระเต็มวัดเลยเนี่ยเอาไงไหนวะงั้นเอาพูเรียกว่าเอาองค์ชื่อว่าจุฬาบุกพี่ชายจังเอ๊ะก็จุฬาเราถูกเราไล่ไปสิ้นในช้าแล้วทไมยังอยู่อีกเอาองค์ชื่อเรากลับไปอีกรอบหนึ่งไปถามพระองค์ไหนชื่อจุฬาบรุกรับไปถามองค์ไหนก็ชื่อจุฬาบุกหมดทุกรูกเลยไอ้นี่ก็ง ง, งวิ่งกลับไปอีกนี่จะพรชื่อจุฬาบุกเต็มวัดเลยเวงั้น เอาองไหนเพื่อเธอไปไม่ต้องถามเธอจับแขนโ อ, อเลยรก็นีมนมาเลยว่าไงพอกลับไปแล้วไปจับแขนเชื่อจวนถกใช่ไหมครับใช่ก็จุงมาเลยปรากฏอีกทั้งหมดที่ปรากฏเตรียมวัดหายพวกไปเลยโอ้พอมาแล้วเรื่องนี้พระเจ้าก็มาเล่าให้พระฟังว่าคนที่ว่างโง่ที่สุดมันไม่ได้งโง่หรอกแต่ว่าอาวิชาที่มันหนาไปหน่อยนึง แต่ท่านจุลบรรพกนั้นได้ทําลายอาวิชชาตอนบ่ายวันนี้เองบ่ายเมื่อวานนี้เองนะบ่ายเมื่อวานนี้เองแต่ท่านไม่ได้บอกพระว่าทําลายอาวิชชาเพราะตัวโฟกัสเรื่องของจิตที่มันมุ่งจุดใดจุดหนึ่งทำลายความไม่รู้เนี่ยออกไปท่านเลยเป็นพระที่มีฤทธ์แสดงฤทธิ์ได้และฉลาดด้วยแสดงฤทธิ์ได้ด้วยได้ทั้งเจ ต, ตัวและได้ปัญญาโดยที่เห็นไหม ท่า น, นก็เป็นพระหันต่อมาดังนั้นเราจะไปดูถูกตัวเองว่างูไม่ได้เลยแต่ที่เรายัางคิดว่างูเพราะว่าเรายังไม่ศรัทธาและความเพียรยังไม่พอเท่านั้นเองที่จะทําและศรัทธาและความเพียรนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีนะถ้าเกิดไปศรัทธาในทางที่ผิดมันก็ยิ่งอวิชา ย, ยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าความเพียรที่ผิดมันก็เพิ่มอวิชัยหนาขึ้นไปอีกต้องเลือกให้ดีว่าศรัทธาและความเพียรอย่างไหนที่มั่นถูกนะ ขอเน้นถูดนิดหนว่าศรัทธาที่มันถูกต้องก็ไม่ใช่ว่าศรัทธาหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ศรัทธาวิธีนั้นวิธีไม่ใช่นะไม่ใช่ศรัทธาแบบนั้นอันนั้นเรียกว่าศรัทธาแบบทั่วไปแต่ในสรัทธาในพุทธศาสนามันจะมีสี่วิชีย่างหนึ่งัำว่าศรัทธาเชื่อเรื่องการกระทําของตัวเองเชื่อเรื่องเรื่องการกระทําทุกอย่างไม่มีการบังเอิญต้องมีที่ไปที่มาเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีที่ไปที่มาเป็นผลของกรรมเชื่อผลของกรรม ว่าเราทำแล้วต้องมีผลนะยกมือแต่ละครั้งมันมีผลทุกครั้งแต่เราไม่รู้ว่าผลมันเกิดอย่างไรนะยกทุกครั้งมันมีผลทุกครั้งเรียกกรร ม, มะอันแรกก็กรรมะสัทธาอันที่สองเชื่อว่าการกระทําทุกอย่างมีผลไม่ว่าทําดีทําชั่วทําหนักทําเบาทําถูกทําผิดมีผลหมดถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็จะมุ่งแต่ทําในสิ่งที่มันดีมันถูกตามที่เราต้องการสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็จะไม่ทำอย่างคิดไม่ดีต่อใครเราก็จะไม่คิดเพราะรู้ว่ามันมีผล เราคิดไม่ดีร้อยครั้งผลร้อยครั้งมันก็เกิดแต่มันจะไปสั่งสมส่วนไหนเราไม่รู้เราคิดดีร้อยครั้งผลดีร้อยครั้งมันก็เกิดส่วนนั้นดีไปเก็บไว้ส่วนไหนเราไม่รู้เขาเรียกว่าจิตได้สำนึกอะ่ะการพูดการทําการคิดกันเหมือนกันถ้าเราเชื่ออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเชื่อกฎแห่งกรรมนี่บืงตัวนี้คือเชื่อในพุทธศาสนาในเชื่อแบบนี้เลยนะว่าการเข้าหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งมีผลไหมคุณวิชาหายใจเข้ามีผลไหม ถ้าหายใจเข้ามันไม่ออกมีผลไหมมีครับแต่ถ้าหายใจออกไม่เข้าก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยรู้ง่ายๆอย่างเนี้ยแค่หายใจเข้าพับตาขึ้นลงมันมีผลไหมพับลงไป็นไงไม่เห็นลืมขึ้นมันเห็นมันมีเหตุมีผลให้เห็นชัดๆอย่างเนี้แต่เวลาเราไปคิดด่าใครว่าใครดูถูกใครเราคิดได้คิดดีทั้งที่มันมีผลแต่เราเคยกลัวบ้างไหมว่ามันเป็นผลที่ไม่ดีกับเรามันตกกับคนอื่นไหมไอ้สิ่งที่เราคิดไม่ดีเนี่ยมันไปตกคนนั้นคนนี้ไหม ไม่ตกตกับเราเมื่อเราคิดไม่ดีคำพูดเราก็จะเริ่มไม่ดีเราคิดไม่ด e, ีการกระทํำเราก็จะเริ่มไม่ดีการกระทำเริ่มไม่ดีร่างกายเราก็เชื่อมันไม่ดีความเจ็บป่วยก็จะเริ่มมาเพราะผมนั้นให้ตกกับเราก่อนมันความเจ็บป่วยของร่างกายทั้งหมดมันเกิดมาจากความคิดการพูดการทําที่ไม่ดีของเรานั่นเองเมื่อคนเจ้าคนเราเมื่อร่างกายจิตใจไม่สบายเนี่ยจะไปแสดงกับคนอื่นมันแสดงได้ไม่ถูกละทําให้คนอื่นเข้าใจผิด คนอื่นเข้าใจผิดนะครับางทีเราตั้งใจพูดนี้ดีคนอื่นเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรเพราะมันมีผลมาจากตัวนั้นมันก็มีวิบากเป็นวิบากกรรมแล้วอันที่สามวิบากเหล่านี้ตกแก่เราก่อนแล้วกรร ม, มะสกดาสธ า, สธาและเป็นเหตุให้ไปตกกับคนอื่นที่หลังนะไปตกกับลูกกับหลานกับพี่กับน้องที่หลังแต่ตกเราเผาเราก่อนเหมือนกับไม่ขี่มันต้องเผาในที่เราหัวมันก่อนก่อนที่ไปจุดทางอื่น ก่อนที่ไม่หัวไม่ขี่เนี่ยมันจะไปจุดติดอย่างอื่นมันต้องเผาหัวมันก่อนความไม่ดีของเราทั้งหลายที่มันจะไปทําร้ายผู้อื่นเราต้องทําร้ายตัวเองก่อนแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีอาการเจ็บป่วยต่างๆกันเพราะเราเคยคิดไม่ดีมาทั้งนั้นะนะ่ะอาจนกว่าเราจะรู้หลักใจในนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มแก้แก้แก้เอาสิ่งที่ไม่ไดีออกไปร่างกายเราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นความเจ็บป่วยก็เริ่มหายไปหายไปนี่วิธีแก้ นะเพราะมันเป็นกรรมสัตต า, าอันที่สามอันที่สี่เรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาว่ากรรมเหล่านี้จะหมดไปได้ด้วยอาศัยการความรู้ที่พรุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วอาศัยโพธิปัญญาของพุทธเจ้านี่โอ้เป็นอย่างนี้เองให้มีศรัทธาแล้วมีศรัทธาอย่างนี้เวลาจะทําอะไรก็จะมุ่งแตทําในสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ สิ่งนี้วิปยก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นความเพียรก็ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ไป็นยังไงคุณเปิ่มความเพียรที่เป็นประโยชน์เป็นยังไงหนึ่งเริ่มต้นด้วยวสังวรประทา น, นมีความระมัดระวังว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีนะมันจะมีการตรวจสอบก่อนเรียกว่าสังวรประทาน เรานั่งข้างนี้ดีไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ถ้านั่งมันดีมันใช่มันก็จะสบายอเราพูดอย่างนี้ดีไม่ดีทํำมันก็สามารถตรวจสอบนี้เขาเรียกว่าสังวนประธานแต่อันไหนที่มันไม่ใช่ไม่ดีไม่ถูกมาอันใช่สองละเรื่องนั้นก็เลือกประหารตัดเรื่องนั้นออกไปสิ่งนั้นไม่ถูกไม่ดีนั่งแล้วมันไม่สบายก็เปลี่ยนไปนั่งแล้วมันไม่มีความสุขก็เปลี่ยนไปพูดแล้วมันไม่ดีก็ ตัดไปทําแล้วมันไม่สบายก็ตัดไปคิดแล้วไม่ดีก็รีบตัด ท, ทันทีีิความเพียรในที่สองเรียกว่าประหารนประทานความเพียรในที่สามสิ่งไหนรู้สึกมันดีรู้สึกมันสบายรู้สึกมันถูกต้องรู้สึกมันชอบทํารู้สึกมันปลงเบาสบายให้ทำสิ่งนั้นบ่อยๆพ่ อ, พอคุณสิ่งนั้นบ่อยๆทาแล้วมันรู้สึกรู้ิรู้ตัวทาสิ่งนั้นบ่อยๆเรียกว่าภา ว, วนาประทาน เมื่อทําได้แล้วก็ให้รักษาเอาไว้ว่าเออทําได้แต่วันนี้ผู้นี้เป็นอย่างอื่นไปละทำไม่ได้ละอย่างนี้เขาแล้วไม่มีอันที่สี่รักษาไว้ไม่ได้คือไม่มีอนุรักษนาประธานอ่าอนุรักษณาอันนี้คือความเพียรถูกต้องเป็นความเพียร น, นี้นะเราคุณนั่งสร้างเยาว์โดยโจงกรมทั้งวันเพียรทั้งวั น, น, วนแต่ไม่มีหลักสี่ประการาเพือใหม่ความเพียร น, นั้นเป็นผลไหม นี่นี่นีนี่ว่าทําไมเอ้คนนั้นเขปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติมาเยอะมากเลวทําไมการเปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏเลยยังขี้เขียนมันเดิมยังพูดมามันเดิมยังขี้บ่นมันเดิมยังอะไรอะไรเหมือนเดิมอ่ะทาไมไปอย่างนั้นละ่ะเพราะความเพียรเขาไปไงไม่ถูกต้องไม่เป็นสัมมาวายามะนะฮทั้งที่ถูกต้องทั้งสี่เป็นสัมมาวายามะถ้ายังไม่แน่นอนท่านใช้คาว่าวิริยะเฉยๆความเพียร <c oughs> อาจจะถูกกับผิดก็ได้ความเพียรเนี่ย <c oughs> แต่เมื่อไรมันถูกแล้วฉันใช้คาว่าสัมมาวายามะมเข้าไปเพราะนั้นเวลาทำความเพียรต้องสำรวจอยู่เสมอว่าเอ๊ะขณะที่ฉันก็ะทำเนี่ยสบายหรือมันสบายมันง่วงเนี่ยระวังไหม ถ้าหางระวังง่วงไม่ให้มันเกิดกับไม่ระวังเนี่ยอันไหนมันเกิดง่ายกว่าพอลงทำลงมือทํความเพียเก็บอารมณ์ปับ๊บเราระวังว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเรามักจะมาก่อนมีอะไรบ้างตรวจสอบก่อนการเก็บอารมณ์ปฏิบัติทุกครั้งที่สิ่งที่มาก่อนคืออะไรเบือ่อขี้เกียจง่วงฟุ้งซ่านลังเลเนี่ยตัวไหนมาก่อนอโอ้ง่วงทุกคนเลยเหรอไม่มาฮังอย่างอื่นก็มี เราก็มาดูง่วงเกิดเพราะอะไรง่วงเกิดเพราะเราติดสบายมาก่อนเราชอบใจเราติดสบายเวลาไปทำความเพียรมันไม่สบายใช่ไหมมันก็เลยทำให้ง่วงเพราะเราไม่ไม่อยากจะอยู่กับอาการอันนี้มันก็ง่วงเพราะเราติดสบายมันก็เลยทำให้ง่วงแต่ถ้าบางคนไม่ได้ติดที่สบาย ชอบทําอะไรแรงๆเร็วให้มันรู้สึกที่เขาเรียกว่าซาดิสไปหน่อยนะทําอะไรต้องอให้มันหนักหน่วงเอาไว้เพื่อจะรู้สึกสร้างจังหวะว้วองไวแรงๆสร้างค่อยๆไม่เป็ น, นต้องทํำไวๆอะไรื่องนี้ต้องถึงจะรู้สึก อ, อย่างนี้เขาเรียกว่ามีปฏิฆะอยู่ในจิตลึกๆแต่เราไม่รู้คนที่จะฟุ้งซ่านจุดน อ, อนของนี้เป็นการฟุ้งซ่านเนี่ยแล้ว ในสองตัวเนี้ถ้าไม่ตามรู้ให้ชัดชัดไม่ตามรู้สองตัวให้ชัดแก้ไขสองตัวไม่ใช่มันเกิดโมหะและโมหะมันจะก่อให้เกิดอีกตัวหนึ่งเรียกว่าลังเลสงสัยดังนั้นสองตัวเนี่ยคือความสบายและไม่สบายเราติดสบายเรียกว่ากมามฉันทะแล้วติดไม่สบายเรียกว่าพยาปาทะ เมื่อเราแก้ไขสองตัวนี้ไม่ตกนะมันก็ไปเกิดสามตัวหลังคือความง่วงความฟุง้งซ่านและความสงสัยถ้าจัด ก, การสองตัวได้สาเร็จสามตัวนั้นไม่เกิดอ่าความง่วงมันเกิดมาจากความติดสบายความฟุง้งซ่านมันเกิดมาจากความติดความไม่สบายแล้วก็การไม่ชัดทั้งสองอย่างที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็ให้เกิดตัวหลังเลสงสัยตัวโมหะนะ พวัะนั้นราคาโทสะโมหะก็เกิดมาจากตัวนิวรณ์ห้านั่นเองตัวราคะเกิดจากกามะฉันทะตัวโทสะเกิดมาจากตัวพยาพาทะตัวโมหะเกิดมาจากความง่วงความฟุ้งาและความลังเลยสงสัยตัวโมหะอย่เดียวรวบสามตัวเลยราคามาจากกรรมะฉันทะโทสะพยาพาทะโมหะง่วงฟุ้งซ่านหลังเลยเป็นตัวโมหะทั้งหมดเลย เพราะนเราก็มาดูอ๋อมันมีผลนี้เราก็ต้องระวังละทีนี้สองอย่างระหว่างความสบายกับความไม่สบายเนี่ยอันไหนที่เราระวังยากอันไหนระวังง่ายกว่าความสบายระวังยากหรือระวังง่ายระว่างยากนั่นไงมันถึงง่วงอ่ะเพราะเราไม่ค่อยระวังมันผู้คนหลายคนง่วงเพราะเราติดสบายเราไม่ค่อยระวังเราเสพเลยใช่ไหมเพราะเสพมากเข้ามากเข้ามันก็ไปติดเส่ง่วงเท่านั้นเอง มันสบามันติดขี้เกียจก่อนขี้เกียจล้าเหนื่อยอ่าอยากพักละไม่แก้นี่เพราะว่าเราไม่ระมัดระวังความเพียรด้วยอันที่สองบางคนก็พยายามแก้พยายามตัดพยายามปะหารพยายามละในความง่วงอันนั้นแต่ว่ามันเกิดง่วงหนักแล้วนี่แก้ยากละเพราะนั้นที่จะให้มันแก้ง่ายต้องไปตอนไหนตอนที่มันเริ่มใช่มเพราะเราระวังความสบายเนี่ยยาก ก็มาระวังความง่วงอ่อนๆแล้วก็มาสังเกตว่าก่อนที่มันจะง่วงอาการปีงัยเคยศึกษาไหมเริ่มจากอะไรก่อนเบื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่มันเริ่มจากเพลินในความสบายอา่าพอเพลินในความสบายปักชักเป็นไงเผลอละพอเผลอแล้วชักเบือมันจะมาจางลำดับของมันนะแต่มันไวมากมันไต่ลำดับไวมากเราไม่ทันสังเกตพอเบือแล้วตางเป็นไ ง, ไง หนักหนาหายใจเรื่องแผวมันจะตายลำเดาของมันถ้าเราไม่ละเอียดไม่สังเกตนะมันมันไวมากพอสังเกตให้ดีมันเกิดมาร้อยครั้งพันหุนก็สังเกตมาร้อยครั้งผลมันจะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราจับอาการของมันได้อันนี้มันเกิดมาร้อยครั้งพันหุนเพราไม่เคยที่จะเข้าไปดูไปเห็นมันนะเพราะฉะนั้นอาการตามรู้ต้องตามรู้ตั้งแต่มันเกิดอย่าไปตามรู้แต่มันเกิดเยอะแล้วไม่ไหวแล้วเป็นก้อนเลยนะออกไม่ไหว พอเนือหญ้าเนี่ยพอมันงอกขึ้นมาถอนง่ายกว่าที่มันยกงอกจนท่วมหัวแล้วไปถอนโอ้โหรากมันลึกแล้วถอยากแล้วเนีชั้นใดก็ดีนิวรแต่ละตัวมันมีรากของมันถ้ามันเริ่มใหม่ๆเนี่ยก็ถอนง่ายแค่ยากงอกขึ้นมากถอนตั้งง่ายแต่ว่าเราไม่สนใจถอนนะ่นะนเพราะว่ามันดูมันไร้าสาระแต่ที่ไหนได้เพอเผยนิดเดียวมันยาวพืดเลยนะดังนั้นตัว ประหานประธานสําคัญเมื่อเราหลุดจากการเผอจากไม่ระวังแล้วมันก็ต้องมาตัดแต่ถ้าหากว่าระวังดีแล้วมันกไ็ไม่ต้องช้าอันที่สองไม่ช่องปรหารเพรไม่ต้องตัดพอระวังไม่ให้เข้ามาแต่ในกรณีที่ว่าสติสัญญาของเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะระแวดระวังไอ้สิ่งที่มันเกิดมันหลุดเข้าไปย้อนได้แหละหลุดเข้าไปก็ต้องพยายามไปแก้ขั้นที่สองคือประหารตัดออกแต่ว่ า, าจะมระวังประหารตัดออกย้ตนไม่ไหวกําลังไม่พอเพราะนั้นสร้างกําลังขึ้นมา ถ้าเราจะมาเปิดปิดไฟกไม่ ไ, มได้ก็สร้างรักษาเพิ่มกําลังของความสว่างให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาความสว่างเอาไว้กหมายถึงว่าพัฒนาตัวรู้ตัวตื่นบุกบิให้ชัดเจนไว้เสมอเมื่อตัวรู้ตื่นบุกเบิกบชัดเจนเสมอไอ้ความคิดความงงความอะไรต่างๆก็มันก็จะไม่เกิดเพราะตัวนี้มันเข้มแข็งกว่าแต่ในกรณีที่เราสองตัวยังไม่เข้มแข็งตัวภาวนาไม่เข้มแข็งตัวรักษา ตัวตื่นรู้ยังไม่เข้มแข็งพอมันก็จะต้องไปแก้ต้นเหตุคือตัวก็คอยฝ้อระวังและตัวละตัวนั้นเรื่อยๆแต่เราเทียวละเทียวระวังเทียวละเทียวระวังโอ้มันไม่ไหวไม่ทันมันมันไวบางทีมันไม่ได้มาตัวเดียวนะใช่ไหมขี้เหยียนมันก็มาง้องมันก็มาฟุ้งมันก็มาลังเลมันก็มามาทีเดียวหลายตัวถ้ามันมาทีละตัวตัวตัวตัวสู้ไหวใช่ไหมที่หนึ่งต่อห้าไหวไหมอ่าหนึ่งต่อสามนี่ก็ชัดไม่ไหวละ เพราะนั้นเราไม่ประมาทขนาดนั้นเราก็กระตุต่นความรู้สึกตัวทุกเพราะไม่ชัดเจนเวยก่อนตรงไหนไม่ชัดเจนให้ชัดอพอตรงนี้ชัดเจนแล้วพวกสตูเข้ามามันเห็นแล้วมันถอยเลยนะเพราะอาวุธของเราดีกว่าคือความรู้สึกตัวทักวพร้อมชัดเจนมันเข้ามาก็ดับนะดังนั้นเองอันนี้ชุดนี้ต้องเอาไปศึกษาให้ดีเรียกว่า สัมมาวยามะหรือความเพียรที่ถูกต้องหนึ่งน้มัดระวังสิ่งที่ยังอ่าไม่ไม่ไม่ไม่สิ่งที่จะเป็นนิวรณ์เนี่ยให้เรามอนระวังตัวไหนจะมาก่อนกูง่วงมาก่อนหรือตัวฟุ้งมาก่อนหรือตัวขี้เขียนมาก่อนหรือตัวหมุดหงินมาก่อนหรือตัวลังเลมาก่อนดูมาไอผู้ผู้บาเปียกยามนะไอหน้าไหนมันจะมาก่อนกูดูมึงก็แล้วกันนะว่าต้องเอากันอย่างนี้เลยนะ ไอ้คุณทําไปเรื่องเรื่องเฉยเไม่ได้เดี๋ยวมาทันทีเลยมันล็อกคอทันทีเลยต้องระมัดระวังนี่เรียกว่าสังวชประธานแต่เมื่อนี่เดียวนื่นจากสติสมมุ ญ, ญิญญยังไม่ไม่เต็มใช่ไมเพอนี้เดียวปับเอาเข้ามาแล้วสลัดทิ้งทันทีแล้วก็ปรับความเพียรให้มันชัดเจนอยู่เสมอคําว่าชัด น, นี่หมายถึงว่าไม่ใช่นั่งทําอย่างเดียวนะมันไม่ชัดงี้คุณก็ลุกขึ้นมาทําเดินทำยืนทำนั่งทำแต่นอนทําพอร้องว่าจะทําบ่อย <laughs> มันเข้าทางมานนะ มันเข้าทางทางวานทั้งวันเลยนะนะอันนี้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับความเพียรได้สถานและความเพียรเวลาเราไปเก็บอารมณ์ท่าสองตัวที่ไม่เข้มแข็งการเก็บอารมณ์ก็ไปไม่รอดเดี๋ยวขี้เกียจจะนกนอนยาวแ้วก็เดินฟุ้งซ่านไปทั่วอะไรทีนี้ไปชวนเพื่อนคุยต่งางหากเล้ยวเลยว่าเงินอ่ะ an> เพราะนั้นเวลาคนจะเก็บอารมณ์เนี่ยต้อง เคลียร์พื้นที่ตตั้งสติตั้งใจให้ดีว่าจะทำอะไรแต่อย่าตั้งมากเกินไปตั้งให้พอดีๆทาจริงบ้างเล่นบ้างไปก่อนนะแต่ว่าทําไม่หยุดจริงบ้างเล่นบ้างจะทําไม่หยุดนะตัวนี้สําคัญนะถ้าคุณทําจริงจังสาาักพักหนึ่งไปแล้วคุณก็หยุด น, นี้ใช่ไม่ได้คุณทําเรื่อยๆนะทําเรื่อยๆมีอะไรก็แก้ไขไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันมันคุ้นนะมันรู้สึกตัวคุ้น มันก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องเบาการเก็บอารมณ์ก็ไม่ใช่เรื่องเครียดเรื่องกักขังตัวเองหรือเรื่องทรมานตัวเองที่สําหรับคนคนที่เคยทํามาแล้วนะแต่สําหรับคนใหม่ยังทําใจไม่เป็นนี่ก็ทํายากอยู่แต่ให้ศึกษาเอาไว้เพราะมันมีทางนีทางเดียวที่จะบ่งพาะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเราเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งมาชอบหลังจากที่เข้าใจรูปนามแล้วนี่ชอบเก็บอารมณ์ ชอบพาพระไปทุ่งเข้าป่านั้นป่านี้ที่ไหนสงบช่าที่ไหนไปก็ไปนั่นทำกันปโดยบ่งพอดก็รู้สึกตัวใ น, นมันคงเทียมันเข้มแข็งในสมัยนั้นตั้งแต่ปีสามศูนย์มาถึงปีสีู่นเนี่ยมาก็จะพระพาพระออกเรื่อยๆนะ <c oughs> แล้วก็พาญาติโยมทำแล้วก็ทาได้ในวิธีการก็พ่ทีนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราได้ทำพร้อมกับผู้ปฏิบัติ แต่ในวิธีการอื่นเพราะเขาสอนเสร็จเขาก็กลับไปนอนเท่านั้เองนะปวดหัวเดี๋ยวปวดก็ว่าคุณจะทํทงานก็เรียกมคุณฉันสอนเรียบร้อยมันบหน้าที่แล้วใช่ไหมแต่วิธีการหลเทียนว่าคุณให้คนอื่นทำอย่างไรคุณก็ต้องทําอย่างนั้นด้วยอ่านี่คือข้อดีในวิธีการหลเทียนเพราะฉะนั้นเราจึงมีพระในสายงานหลงพเทียนออกมาทํางานได้เยอะกว่าสายอื่นนะมาว่าเรามีครูบาอาจารย์ทุกทุกภาคพเพราะอะไรนนวิธีการหลงพ่เทียน คือเราทําอย่างไรให้คนอื่นทํางนั้นเราก็ต้องทําอย่างนั้นเราอย่าเอาดีให้คนอื่นเราต้องดีเสียก่อนเราอย่าให้คนอื่นได้ดีแต่เราไม่ดีเนี่ยคุณไปไม่รอดนะเราดีแล้วเราแบ่งดิ่งที่ดีให้คนอื่นนั่นคุณไปรอดแต่ว่าคุณไปให้คนอื่นสอนคนอื่นทําอย่า ง, งนี้แต่คุณทําเป็นหรือ ย, อยังคุณทําได้หรือยังมันก็จะสะท้อนกลับนะพระเทียนท่าหามครั้งหนึ่งท่านสาธิตการปฏิบัติลอดธรรมาก็อยู่ด้วยนะ ตอนนั้นรู้สึกพยาบาลอาจารย์สายหยุดผู้บริการพยาบาลผู้รับบาลสระบุรีเนี่ยพ า, านักตุษาพยาบาลกลุ่มนึงประมาณ30คนไปเข้าดีธิดกับหลวงพ่อ ท, ที่วัดสนามในท่านก็ต้องการสาธิตให้พระลูกศิษย์ที่ไปอยู่ด้วยเนีดูว่าการจัดอบรมที่ถูกต้องควรจะทำยังไงเบื้องต้นท่านก็สาธิตการปฏิบัติเสร็จแล้วท่านก็แยกกลุ่มอ่ะกลุ่มละห้าคนเจดคน กลุ่มนี้ท่านนี้ดูเลยนะกลุ่มนั้นท่านนั้นเลยครบไปนั่งปฏิบัติกันไปกลุ่มเป็นกลุ่มเราก็ไปยืนไปเดินไปนั่งพานักศึกษายนเดินนั่งอีกองหนึ่งท่านไม่ค่อยชัดเลงหุวงพ่อเทียนะท่านเป็นพระนักเทศมกงอย่อนเงี้ยแต่นี้ให้สื่อว่าละก็ไปตั้งวงแล้วก็ให้อารมณ์นักศึกษาพูดธรรมะให้ฟังหลุงพ่อเทียนเล็งใส่เลยนะเอาไป บอกคุณไปพักเดี๋ยวให้พระอื่นดูแลแทนเอาพระ อ, องค์นี้ไปพระท่านกาลังติดวิปัสนาว น, นะออกจากวงนี้เอาท่านไปวงใหม่ต่อเงี้ยในที่สุดหลวงพ่อเทียนก็เลยเอ่ะคุณหยุดเลยคนะุณไปพักที่อื่นเถอะก็แล้กันลักษณะอย่างเงี้ยก็มีนะพระพระที่ไปสอนไม่ใช่ว่าจะเชื่อหลวงพ่อทุกองคนะว่าท่านเป็นนักเทศมาก่อนนักปฏิบัติมาก่อนบางทีท่านบอกว่าท่านรู้ท่านก็อยากจะแสดงตัวเองเสียจแล้วก็ทําให้เป็นวิบากกรรมต่อมาท่าน ไปไปไปมาท่าก็สึกเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่รู้นะก็หลายองค์เราเปน็นลักษณะอย่างนี้พอได้เห็นท่านสาธิตการพาปฏิบัติอย่างนี้เอามาก็ได้ได้รูปแบบจากท่านเวลาไปอบรมไปสอนที่ไหนเราก็ไม่ต้องพูดอะไรว่ากระทาให้ดูอยู่ให้เห็นท่านบอกว่าเวลาไปดูแลพาประเดียวคนอื่นทำนะต้องไปให้ไปทําให้ดูไปอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังก่อนพูดให้ฟังว่าอะไรเป็นอะไรก็พูดให้ บอกให้รู้ท่านใช้คาว่าบอกให้รู้ก่อนว่าเราทํานี้เพื่ออะไรบอกให้รู้ทําให้ดูเราเราทำยังไงจะให้เขาทำเดี๋วต้องทําให้ดูแลอยู่ให้เห็นอยู่เขาเห็นว่าเรามีปัญหาอะไรไหมอยู่ถูกต้องไหมอยู่เห็นทําให้เป็นทําให้เราก็เป็นทําให้เขาก็เป็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสก็หมายถึงว่าเราก็อย่าไปสร้างปัญหาวุ่นวายอะไรกับคนอื่นต้องตัวเองก็แก้ปัญหาตัวเอง ทำให้ใจเย็นส บ, ยสบายบอกให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นทำให้เป็นเย็นให้สัมผัสอันนี้หลักการที่ท่านบอกไปเพล่พร่ห้าหลักการนี่นะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็ต้องมาทบทวนดูว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเราจะต้องมีศรัทธาที่จะทำเพราะเรารักตัวเองรักตัวกลัวตายเราจะให้ตัวเองดีอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองสงบแล้วทาอย่างไรเราก็ทา แต่เราไม่อยากให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่อยากตัวเองเดือดร้อนแต่เราไปทําสิ่งกึงข้ามเราไปทําสิ่งที่เดือดร้อนคิดในสิ่งที่เดือดร้อนคิดในสิ่งที่เป็นปัญหาคิดในสิ่งที่เป็นทุกข์เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราคิดทุกอย่างมันมีผลต่อต่อกายต่อใจของเราเราก็อย่าไปคิดเราพยายามตัดออกไปมันจะคิดก็ตัดออกไปพอเรามาเจริญสติอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันรู้จักวิธีสลัดในสิ่งไม่ดีออกรู้จักเลือกเอาสิ่งที่ดีๆใส่ตัวเองใครจะพูดไม่ดีคิดไม่ดี ก็เราก็ไม่ปไป赖ไป็นเรื่องของเขาเราไม่ตอบไม่ตอบโต้แล้วตอนที่สุดท้ายตอนที่มาจะออกวัดสนามในมาเพื่อเผยแพร่ท่านเรียกไปพบบอกมหาในอนาคตไปทํางานน่ะมันจะต้องปีนคนชอบเราก็มีไม่ชอบเราก็มีถ้าคนชอบเราขเขาก็ว่าเราดีแต่คนไม่ชอบเราก็ต้องหาเรื่องใส่เราอิชาลิเหมเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของโลก เพราะนั้นเมื่อกรณีอย่างนั้นเกิดขึ้นหนึ่งเขาจะพูดอย่างไรก็ตามอย่าไปตอบโต้จะไปเอาเรื่องเลาลากับเขาสองถ้าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นความจริงให้แก้ไขตัวเองทันทีสามสิ่งที่เขาพูดเขาคิดมาไม่จริงเป็นวิบากกรรมของเขาเราอย่ารับวิบากกรรมนั้นมาถ้าเราไปรับวิบากกรรมมันมันจะมีเวรเนี่ยกันแล้วมันจะนมีปัญหากันที่นี้คือคือสั่งก่อนออกมาทํางาน อ๋จริงอ่ะมันก็ใช้่งี้ตลอดเวล า, เามาไปอยู่กับใครที่ไหนอะไรที่เข า, เาไม่เข้าใจเราเขาก็เบียดบังอีซานิชยาพูดร้ายให้ได้ปลายสีแล้วก็เฉยๆถ้าหากสิ่งที่เขาพูดมามันมีเขาว่าจริงเราก็มาแก้ไขตัวเองซะเราก็ไม่ได้ไปกดแค่ก็ถือทิ่งที่ท่านสั่งมาก็ทําสิ่งนี้ได้ตลอดนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะฮั า, า, าจาย์บังท่านโอ้โหแล้วก็สอพ ไม่ใช่สอบอารมณ์อะไรหรือ ว, ว่าอัดกันเลยเพื่อนแล้วก็ฟังนะฟังแล้วก็ดูใจของเราไปด้วยบางครั้งถึงจะมาเรียกกันมานั่งด่าเลยนะแล้วก็ฟังอท่านบอกว่าถ้าอารมณ์ขณนะนัอารมณ์เราไม่ดีอย่าไปชี้แจงอย่าไปโต้ตอบอะไรฟังเฉยๆแต่เมื่ออารมณ์ดีแล้วมีเกิดเมตตามีความเข้าใจดีแล้วก็ค่อยชี้แจงทีหลังก็ได้ในขณะที่จิตเราไม่ดีจิตเราไม่จิตเราโกรธจิตเราขุา่มัวอย่าไปชี้แจงอย่าไปตอบโต้อะไร เพราะว่าเลาก็ยอมรับเอาเสียเพราะถ้ามันไม่จริงเป็นกรรมของเขาถ้ามันจริงเราจะได้รู้ว่าเออตัวเองแย่จริงแล้วก็มาแก้ไขตัวเองอันนี้คือ ส, สิ่งที่ท่านสั่งเอาไว้ก็ถืออย่างนี้มาตลอดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะทําได้ใช่ไหมมันก็อยู่รอดปลอดภัยนะดังนั้นเชา้าวันนี้ได้พูดเรื่องหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเก็บอารมณ์การแก้ปัญหาการมีสถัทาและความเพียรให้ต่อเนื่งคนจะทําอย่างไร ตลอดถึงเราพูดถึงหลวงพ่อเทียนพออยู่ที่ในช่วงที่เรากำลังปฏิบัติเพื่ออาจารย์ยบูชาเราก็พูดถึงในแง่มุมที่ท่านให้เรามาให้ฟังนะก็ขอมุทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งนี้ให้แจ่มแจ้ ง, จงชัดเจนจนสามารถปอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและปลูกมรรคผลนิพพาน ลงในจิตในใจได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านคืน